ธรรมบทแปลเรื่องที่165หเรื่องบรรพชิตสามรูปข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราลบรรพชิตสามรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโยเยยุนชมัตตานังเป็นต้นตอน ตระกูลที่มีลูกชายคนเดียวและหนีไปบวชได้ยินว่ามันดาบิดาในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจวันหนึ่งบุตรน้อยนั้นฟังธรรมกถาของพวกภิกษุที่นิมนต์มาในเรือนทาอนุโมทนาอยู่ อยากจะบวชจึงขอบวชกับมารดาบิดามารดาบิดาเหล่านั้นไม่อนุญาตครั้งนั้นเขาได้มีความคิดขึ้นว่าเมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนั่นแลเราจักไปข้างนอกแล้วบวชเสียต่อมาบิดาของเขาเมื่อจะออกไปข้างนอกได้มอบหมายกับมารดาว่า เธอพึงรักษาบุตรน้อยนี้มารดาเมื่อจะออกไปข้างนอกก็มอบหมายกับบิดาเช่นกันภายหลังวันหนึ่งเมื่อบิดาของเขาไปข้างนอกมารดาตั้งใจว่าจะรักษาบุตรพิงบานประตูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาเท้าทั้งสองอยันไว้แล้วนั่งลงที่แผ่นดินปั่นได้อยู่ เขาคิดว่าเราจักลวงมานดานี้แล้วหนีไปดังนี้แล้วกล่าวว่าแม่จ๋าหลีกฉันหน่อยก่อนเถิดฉันจับถ่ายอุจจาระครั้นมันดานั้นหดเท้าแล้วก็ออกไปสู่วิหารโดยเร็วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนว่าท่านผู้เจริญ ขอท่านบวชให้ผมเถิดแล้วบรรพชาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นตอนบิดาออกบวชตามบุตรลำดับนั้นบิดาของเขากลับมาแล้วถามมานดาว่าลูกของเราไปไหนมานดาตอบว่านายเมื่อกี้อยู่ที่นี่ บิดานั้นก็ค้นดูเพื่อรู้ว่าบุตรของเราอยู่ที่ไหนหนอแลไม่เห็นเขาแล้วคิดว่าลูกของเราจากไปวิหารจึงไปสู่วิหารแล้วเห็นบุตรบวชแล้วคร่ำครวญร้องไห้แล้วกล่าวว่าพ่อทำไมเจ้าจึงทำให้เราพินาศดังนี้แล้วคิดว่า ก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้วบัดนี้เราจะทําอะไรในเรือนดังนี้ตนเองก็บวชแล้วในสํานักของภิกษุทั้งหลายตอนมารดาออกบวชตามบุตรและสามีลําดับนั้นมานดาของเขาคิดว่าทําไมหนอลูกและผัวของเราจึงชักช้าอยู่ จากไปวิหารบวชเสียแล้วกระมังมองหายชนทั้งสองนั้นพลางไปวิหารเห็นชนแม้ทั้งสองบวชแล้วคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราในการแห่งชนทั้งสองนี้บวชแล้วแม้ตนเองก็ไปสู่สำนักภิกษุณีบวชแล้วตอนชนทั้งสาม แม้บวชแล้วก็ยังคลุกคลีกันชนทั้งสามนั้นแม้บวชแล้วก็ไม่อาจแยกกันอยู่ได้นั่งสนทนาร่วมเที่ยวปล่อยวันให้ล่วงไปทั้งในวิหารทั้งในสำนักภิกษุณีเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งพวกภิกษุณีจึงเป็นอันถูกเบียดเบียนแล้วต่อมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลการกระทาของชนทั้งสามนั้นแด่พระสัส ด, สดาตอนพระสัส ด, สดาตรัสเรียกมาเตือนพระสัส ด, สดารับสั่งให้เรียกชนทั้งสามนั้นมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าพวกเธอทําอย่างนั้นจริงหรือเมื่อชนเหล่านั้นทูลว่า จริงพระเจ้าค่าตรัสถามว่าทำไมพวกเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิตชนทั้งสามกราบทูลว่าพระเจ้าค่าพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะอยู่แยกกันพระสัสดาตรัสว่าชื่อว่าการทำอย่างนี้ จำเดิมแต่การแห่งตนบวแล้วไม่ควรเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์โดยแท้เหตุนั้นการทําบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่รักหรือไม่ให้เป็นที่รักย่อมไม่สมควรดังนี้ แล้วได้ทรงพาสิทธิ์พระคาถาเหล่านี้ว่าอโยเกยุนเจมัตตานังโยคาสมินจะอโยชยังอัททั่งหิตวาปีไกกาฮีปีเฮตตานุโยกินังมาปีเยหิสมากันชิอปีเยหิกูดาจนังปิยานัง อัสนังดุกขัง้งอปิยานันจะดัสนังตัสมาปิยังนกใหญราถาปิยาปาโยหิปาปโกกันท่าเตซังนวิจันติเยสังนัตติปิยาปิยังบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบและไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบ แล้เสร็จแล้วซึ่งประโยชน์ถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตนบุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักและอันไม่เป็นที่รักในการไหนๆเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นบุคคลไม่พึงกระทาสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นการต่ําสามกิเลสเครื่องร้อยรัฐทั้งหลายของเราบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักย่อมไม่มีตอนแก้อัจ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอายโยเคความว่าในสิ่งอันไม่ควรประกอบคือการทําในใจโดยไม่แยบคายอธิบายว่าก็การเสพอโครจรหกอย่างต่างโดยอโครจรมีอโครจรคือหญิงแพษยาเป็นต้นชื่อว่าการทําในใจโดยไม่แยบคายในที่นี้ บุคคลประกอบตนในการทำในใจโดยไม่แยบขายนั้นบทว่าโยคัสมิงความว่าและไม่ประกอบตนในโยนิโสมนัสิการอันผิดแผกจากอโยนีโสมนัสิการนั้นสองบทว่าอัทั่งฮิตวาความว่าหมวดสามแห่งศิขา มีอาทิตสีละสิขาเป็นต้นจำเดินแต่การแห่งตนบวชแล้วชื่อว่าประโยชน์ลาเสียแล้วซึ่งประโยชน์นั้นบาปประกาศถาว่าปิคไคคาฮีความว่าถือเอาอยู่ซึ่งอารมณ์อันเป็นที่รักกล่าวคือกามาคุณห้าเท่านั้นบาปประกาศถาว่า ปิเฮตตานุโยกินังความว่าบุคคลเคลื่อนแล้วจากศาสนาเพราะความปฏิบัตินั้นถึงความเป็นคริหัดแล้วภายหลังย่อมทะเยอทยานต่อ บ, บุคคลทั้งหลายผู้ตามประกอบตนยังคุณทั้งหลายมีสินเป็นต้นให้ถึงพร้อมแล้วย่อมได้สักการะจากสำนักเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คือย่อมปรารถนาว่าโอหนอแม้เราก็พึงเป็นผู้เช่นนี้บทว่ามาปีเยหิความว่าบุคคลไม่พึงสมาคมด้วยสัตว์หรือสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักในการไหนๆคือแม้ชั่วขณะหนึ่งสัตว์หรือสังขารทั้งหลายอันไม่เป็นที่รักก็เหมือนกัน ถามว่าเพราะเหตุไรแก่ว่าเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักด้วยอำนาจความพลัดพรากและการเห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายอันไม่เป็นที่รักด้วยอำนาจเข้าไปใกล้เป็นทุกข์บทว่าตัสมาความว่าและการเห็นและการไม่เห็นทั้งสองนี้ เป็นทุกข์เหตุนั้นบุคคลไม่พึงทาสัตว์หรือสังขารไรๆให้เป็นที่รักเลยความไปปาดคือความผดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักชื่อว่าปิยาปายโยบทว่าปาปโกได้แก่ลามกบาทพระคาถาว่า คันธาเตซั่งนวิชันติความว่าชนเหล่าใดไม่มีอารมณ์เป็นที่รักชนเหล่านั้นย่อมละกิเลสเครื่องร้อยรัดทางกายคืออภิชาเสียได้ชนเหล่าใดไม่มีอารมณ์อันไม่เป็นที่รักชนเหล่านั้นย่อมละกายคันทะคือพยาบาทเสียได้ก็เมื่อละกิเลสสองอย่างนั้นได้แล้ว แม้กิเลสเครื่องร้อยรัดที่เหลือก็เป็นอันชื่อว่าละได้แล้วเหตุนั้นบุคคลไม่พึงทำอารมณ์ให้เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นฝ่ายชนทั้งสามนั้นคิดว่าพวกเราไม่อาจอยู่พรากกันได้ ดังนี้แล้วได้ศึกไปสู่เรือนตามเดิมดังนี้แลเรื่องบรรพชิตสามรูปจบ